วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองกุมภา พ, พันธ์ันหเ ปัญยายที่ยุบพุทธสุนรสองเมื่อคืนนี้เราได้ฟังเร<ม>ื่องของไตรลักษณ์ในมุมที่กว้างขวางขึ้น ขึ้นกว่าที่เราเคยสวดแค่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ขยายแผ่ขยายออกไปจนถึงสัพเพสังขาราแล้วก็สัพเพธรรมาอนัตตาเจะาใช้เรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามแปลว่าอะไรนะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษ ลักษณะสามที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยธรรมชาติของสปปรรพสิ่งเนี่ยไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะอะไรจะขวดจะแก้วจะมนุษย์จะสัตว์จะสินของต้นไม้ใบหญ้าโลกใบนี้จักรวาลจะแสดงลักษณะออกมาเหมือนเหมือนกัน รูปนามในโลกในจักรวาลเนี่ยจะแสดงลักษณะออกมาเหมือนๆกันทุกอย่างไม่มีข้อ ย, ยกเวน้นพระเจ้าตรัสเรียกลักษณะที่แสดงออกมาเรียกว่าสังคตลักษณะสังคตลักษณะคือลักษณะที่มีการเกิดปรากฏมีการตั้งอยู่ปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏนะ ล, า ล, ลักษณะสามหรือใจรักของสรรพสิ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันคือมีการมีสภาพที่เป็นอนิจจ์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่สเทียน ถ้าเป็นศัพท์ในยุค ป, ปัจจุบันผมมักจะใช้คำจนติดปากว่าไม่สเสถียรของมันไม่สเสถียรมันเป็นเปลี่ยนแปลงมันไม่เคยที่จะอยู่คงที่ได้ความจริงที่มันไม่อยู่คงที่หรือมันอยู่คงที่ไม่ได้เนี่ยเพราะตัวมันมีสภาพเป็นอนัตตาซึ่งไม่ใช่ตัวตนของมันมันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรเลยในโลกในสรรพสิ่งเนี่ย มันเป็นแค่การไหลไปตามเหตุปัจจัยมันถูกล็อกช่วงเวลาเอาไว้ปั้งๆวินาทีที่เรากาลังดูมันจึงกลายเป็นขวดถ้าเรายืดทุกอย่างออกโดยเอาหัวท้ายออกให้หมดเราจะไม่เคยเราจะเห็นมันเริ่มต้นตั้งแต่ไม่เป็นขวดจนมันไปจบสิ้นที่ไม่เป็นขวดทั้งๆ ท, ท, ที่มันคือสิ่งเดียวกัน วันนี้มนุษย์ทั้งหมดมีปัญหาอยู่ตรงที่เมื่อดูอะไรจะล็อกช่วงปังๆจึงเห็นสิ่งนั้นกลายเป็นตัวตนอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราดึงสลักนี้ออกเราจะเห็นการยาวรวดที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย มันมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ้นสลายไปในที่สุดเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็วนเวียนเวียนกลับไปตามวัฏจักรของมันนะวันนี้เราบอกว่าน้ําพอดื่มเข้าไปในร่างกายก็ไปใช้พอไปใช้เสร็จปัสสาวะลงไปในส้วมส้วมกดคลื่นลงไปในดินในดินในดินก็ไปถูกต้นไม้ดึงขึ้นไป เป็นน้ําในต้นไม้บ้างในละเหยกลับเข้าไปสู่ท้องฟ้าเป็นเมฆเมฆตกมาเป็นฝนไอ้ส่วนที่ไปเป็นต้นไม้ก็ควายอาวัวเอาไปกินกินกลายเป็นอยู่ในเนื้อวัวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกัไปทางไหนไม่รู้เหตุอันหลากหลายส่งผลอันหลากหลายไปหมดลผลนี่แตกกระจายกันหมดหมดไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยแล้วมันก็เข้ามา เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอย่างที่เราเรียกเฉยๆในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็สลายไปมันไม่ได้มีตัวตวนอะไรเลยนี่ก็บอกว่านี่ที่บอกเต็มตัวเราตัวเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่เกิดอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ค่อยๆตึ๊ดตึ๊ดตขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ออกมาเกิดการรับรู้มีปัจจัยทําให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นอย่างเนี้ย แล้วก็ช่วงเวลาก็ผ่านไปก็เหมือนกับขวดเหมือนกับน้ำเหมือนกับทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆสลายไปดินก็กลับไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําเหตุปัจจัยเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายกันไปหมดสุดท้ายมันก็อย่างนี้จักรวาลนี่เกิดเกิดดับดับดับดเกิดเกิดเกิดเกิดดับดับก็อยู่เนี้ยโลกก็เกิดเกิดดับดับเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็รวมกันใหม่เดี๋ยวก็แตกนะเพราะฉะนั้นมัน เมื่อเกิดการล็อกช่วงล็อกเป้าเพราะความไม่รู้ไปเห็นอะไรเป็นอย่างๆขึ้นมาเป็นตอนๆก็จงเกิดความเข้าใจผิดเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือแม้แต่บางคนเนี่ยทา น, น, น, นู่นทานี่ทานั่นในชีวิตเนี่ยลืมตายทำกันจนลืมตายว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วนะยิ่งทำมากเท่าไหร่ความยึดติดก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำอะไรมากเกินถ้ากลับไปดูในอริยมรรคในองค์แปดเนี่ยจึงเข้าสู่ทางสายกลางไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเกินถ้าเกินมีปัญหาดูแลร่างกายเกินมีปัญหามีปัญหาของความยึดติดสังเกตดูเถอะถ้าท่านเริ่มสนใจสมมติว่าโทษ น, นะอาหารชีวิตจิตอย่างเงี้ยหรือคลีนฟู้ดอย่างเงี้ย เขเริ่มหมกมุ่นเข้าไปมากๆมากๆ ม, ม, ม, มันก็จะเริ่มมากมันจะที่เขาเรียกเยอะเดี๋ยวนี้ over เ, เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมากเข้ามากก็เริ่มติดพอมากก็เริ่มติดมีคนมาโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้บอกผมอะไระสุดท้ายตายหมดลืมไปหรือเปล่านะตายหมดแล้วที่บอกว่ากินชีวิตจิตกินคลีนฟู้ดกินอะไรน่ะ ผมถามว่าอาทิตย์กินกี่ครั้งสมมติาท่านกินรับประทานอาหารสามครั้งต่อวันเจ็ดสามยี่สบเอ็ดยสบเอ็ดมื้อเดือนหนึ่งหร้อยสามสิบมื้อใน1เดือนเอาแค่เดือนเดียวเนี่ยหกร้ยสามสิบมื้อเนี่ยทานไอ้คลีนฟูที่พูดถึงเนี่ยกี่ครั้งถึงยี่สิบไหมแล้วอีกหกร้อยสิบละที่ไปกินตาม ข้างตามร้านอาหารจีนฟาสต์ฟูฟ้ดนูนน่นนี่สตรีทฟูด้ดที่เขาผงชูรสแทบจะเทลงไปทั้งทั้งถ้วยเนี่ยส้มตำที่ว่าอร่อยเนยองไม่ใส่ผงชูรสสินะคลีนตายละทั้งทุกอย่างนะเขาไปเลือกเหรอว่าเธอต้องเป็นผักปลอดสารพิษเอามาทำให้ท่านขาดทุนแน่นอน ไม่ใช่มิชลินนะมิชลินผมก็ว่าก็าใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านกินอยู่สอง อ, สอ่ะสมมติได้ยี่สิบมื้อแต่เอามาแปะไว้ในใจของตัวเองว่าฉันกินคลีนฟู้ดไอ้หกร้อยกว่าไม่เอาเข้าไปเนี่ยมันหลอกใจตัวเองเฉยๆโอ๊ยทำไมฉันยังยังเป็นโรคกระเพาะยังเป็นนิ่นเป็นนี่บางคนเป็นมะเร็งอุตส่ากินอาหารขนาดนี้แล้วและลมหายใจอีกอ่ะ ไปแอบหายใจตรงไห น, นหรอือที่มันไม่มีคาม์บอนไดออกไซด์ไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วอารมอีกะ่ะไปไม่รอดหรอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับความจริงนะการมาปฏิบัติพนะ้ถทายการพ้นทุกข์เข้ามาเห็นความจริงความจริงของกายใจเนี่ยความจริงของขันห้า พระโสดาบันเห็นอะไรลงพเห็นว่าขันเนี่ยเป็นสภาพทุกข์ขันห้าเนี่ยมีแต่สภาพทุกข์มีสภาพอนิจจังทุกขาอนตตาเข้าไปยึดถือเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้ขันดีขึ้นไม่มีพระโสดาบานันพระสิกขาคามีพระอนาคามีพระอาราหันต์ที่ไหน องไหนมาปฏิบัติเพื่อให้ขันดีขึ้นท่านประจักษ์แจ้งตลอดเส้นทางการเดินทางที่เห็นมาอย่างชัดเจนว่าขันนี้มีสภาพทุกข์สับเพสังขาราทุกขานะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าไปยึดถือขันอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนต่อให้มันดีขึ้นบางวันก็ไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายอะไรมันเป็นธรรมชาติของสรพรพสิง่ง มันจะแย่ลงก็มันใบไม้ที่ผมบอกเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็เป็นจุดเดี๋ยวก็เป็นสีน้าตาลจนกระทั่งมันก็หลุดไปจะไปทําอะไรเหรือจะไปฉีดยาให้ใบไม้สีน้ําตาลสีเหลืองๆให้มันกลายเป็นกลับไปเขียวๆแล้วก็กลับมาเป็นใบเล็กๆใหม่หรือจะไปหยุดกระบวนการพวกนี้หรือไม่มีหรอกเขามีแต่เห็นความจริงพอเห็นความจริงก็ถอดถอนความเห็นผิดพอถอดถอนความเห็นผิดก็เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติจนกระทั่งเข้าถึงธรรมชาติจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติไม่แยกตัวเองออกมาจากธรรมชาติไม่มานั่งดูนั่งรู้ธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติวันนี้ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมคือมานั่งดูนั่งรู้นั่งศึกษาธรรมชาติเอาละมันก็เป็นจุดบันไดละแต่เมื่อถึงชั้นสองคือ มันจะสลายทุกอย่างกลายเป็นธรรมชาติเดียวกันไม่มีใครมานั่งดูนั่งรู้นั่งสังเกตว่าวิญิาเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่มีมันจะกลับเข้าไปสู่คำว่าเช่นนั่นเองตถตาตนะไม่มีอะไรเลยเมื่อหมดความลังเลสงสัยในสับปะสิ่งแม้นวันนี้นั่งดูนั่งรู้ก็เพราะไอ้นี่แนะ่ะที่ยังยึดมั่นถึงมั่น ที่ยังกลายเป็นตัวตนอยู่เมื่อเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ว่าจิตเองก็เป็นอนัตตาเมื่อ น, นั้นแหะจะสลายทุกอย่างออกหมดแล้วด้วยความที่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งมาตลอดทางเวลายิ่งนานออกไปก็ยิ่งคลายความยึดถือลงจนกระทั่งปฏิญญาสักขะก็สลัดคืนสู่ธรรมชาติไปไม่เข้าไปขโมยของเป็นธรรมชาติแล้วมาบอกเป็นของเราอีกต่อไป เมื่อนั้นจะหาทุก์ที่ตั้งไม่มีจะไปตั้งอะไรของเป็นธรรมชาติฟ้าจะผ่าไฟจะไหม้แบบมันก็มีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นก็ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติจะให้มันเป็นอะไรจะไม่ให้มันเป็นอะไ ร, ะ จ, ะไะไรจะให้เป็นอะไรหรือจะไม่ให้เป็นอะไรมันไม่มีที่บอกความตายเป็นธรรมชาติความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาก็ใช่เลยแล้วใครจะไปมีปัญหากับไอ้ของพวกนี้ล่ะ ก็ในเมื่อมันไม่มีใครมันก็เป็นธรรมชาติเดียวกันหมดมเป็นธรรมชาติเดียวกันหมดแล้วใครไม่ไมีปัญหาอะไรเอาละวันนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้ไปทางไหนเลยเราจะมาดูต่อจากต่อจากไม่รู้ต่อจากตอนไหนเรื่องของเวทนาหน่อยก็และวกัน ต่อจากเมื่อคืนนียเมื่อคืนเราก็พูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันไปนะขันท่านะขันท่าอย่าศึกษาขันท่าด้วยการอ่านขันท่าอย่าศึกษาขันท่าด้วยการท่องพระไตรปิฎกให้ศึกษาขันท่าจากที่นี้กายกับใจนี้แล้วจงจําไว้หนึ่งอย่างว่ากายกับใจนี้มีสภาพไม่แยกกันแต่ทํางานต่างหน้าที่กัน แยกกันไม่ได้แยกกันเมื่อไหร่ไม่ใช่ขันห้าแยกกันเมื่อไหร่ไม่ใช่รูปน้ำไม่ใช่ไม่ใช่กายใจถ้ากายใจไม่มีแยกกันแยกกันโดยสภาพหน้าที่ลักษณะให้สังเกตแต่จริงๆเขาไม่เคยแยกกันเขาทํางานกันอย่างเช่นรูปเราก็บอกว่าเป็นรูปแต่จริงๆรูปจะอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวเรียกศพนะรูปอยู่คนเดียวเรียกศพ เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงที่บอกว่ารูปแค่เอามาศึกษาทําความรู้จักแต่ไม่มีรูปออกมาอยู่คนเดียวน้ำก็เอามาศึกษาทําความรู้จักน้ำอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีรูปมีฉั้นวิญญาณจะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปทําไมวิญญาณก็ล่องลอยไปนั่นนหละเจตพูดนั่นน่ะนั่นไม่ใช่ในพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณอยู่คนเดียวไม่ได้วิญญาณจึงต้องก่อนนามรูปขึ้นมา ให้เป็นที่ตั้งอาศัยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอยู่นะอยู่คนเดียวไม่ได้ดังนั้นสองคนนี้หรือว่านามกับรูปกายกับใจกายกับจิตจะแยกกันไม่ได้ด้วยความที่แยกไม่ได้กายกับใจเนี่ยแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ่ะไม่ใช่เป็นดุหนึ่งหนึ่หนอ่ะไม่ใช่เป็นดึงไม่ได้ออกมาเป็นเดียวถ้าเข้าใจเรื่องของธาตุจิตธาตุเนี่ย เวทนาเนี่ยทำงานด้วยการแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเช่นความพอใจไม่พอใจหรือความสุขความทุกเนี่ยมันมาจากจิตที่เป็นพื้นฐานที่เป็นธาตุแล้วก็แปลสภาพในช่วงเวลานั้นเสร็จแล้วก็จะแปลสภาพกลับไปสู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นมันออกมาเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละขณะเฉย น้ำเทลงไปในขวดเราก็ว่าเป็นขวดหน้าตาเป็นขวดเทลงไปในแก้วก็เป็นหน้าตาเป็นแก้วเทลงไปในไห้ก็เป็นไห้นะในแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือน้ำนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันทำหน้าที่มันแสดงลักษณะแตกต่างกันมันก็จึงมีช่วงเวลาของมันที่จะทำหน้าที่นั้นๆทีนี้เพื่อเข้าไปสังเกตพูะเจ้าจึงแยกหน้าที่การกระทาของขันในแต่ละขณะขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรา ต่อให้คนไม่เห็นขันห้าเลยแล้วก็ไปเห็นธาตุสี่นะบางคนก็ไปเห็นอายตนาสิบสองก็บรรลุธรรมเหมือนกันบางคนไปดูอสุภากรรมฐานคือขอให้ปล่อยความยึดถือในกายในใจนี้ที่เข้าไปหลงว่าเป็นเราเนะ่ะดังนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยจึงมีหกวิธีตามที่พู้เจ้าจัดไว้ในมหาสติปทานสี่มหาสติปฐานสูตรขอโทษ 6วิธีนั้นก็คือวิธีที่จะทําให้เบื่อหน่ายใคราความยึดถือในกายนี้นั่นเรียกว่ากายยาณุปัตสนาสติปฐานนะเพราะฉะนั้นวิธีไหนใดๆตามที่ท่านเห็นว่ามันไม่เป็นภาระแล้วมีความรู้สึกว่าสังเกตวิธีนี้แหละแม่มันเข้าใจจริงๆมันมันอืมอย่างเงี้ยมันปล่อยวางอ่าอย่างเงี้ยถือว่าที่เขาเรียกว่าถูกจริตอ่ะอย่างเงี้ยเรียกถูกจริต แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาคอสอาจารย์นี่ดีถูกจริตจริงๆเลยอาจารย์ไม่ค่อยจู้จี้ฉันก็ได้นั่งนั่ง น, งนอนนสบายหน่อยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถูกจริตอันนี้แย่จริตกิเลสนะอันนี้ถูกจริตกิเลสชอบชอบโอ้คอสอื่นเขาบังคับให้ต้องเดินคือผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะคืออย่าไปโม้ตามกิเลสอย่าไปโม้ตามกิเลสคอสเข้มจริงๆเนี่ยไม่มีใครมานั่งดูหรอก ผมไปอยู่วัดป่าผมไปวัดป่ามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นพระมาสั่งให้ผมทำอะไรเลยผมว่าถ้าจะบอกว่าเข้มน่ะ น, นั่นน่ะเข้มของจริงท่านไม่เคยต้องบอกว่าต้องตื่นกี่โมงแค่ท่านบอกว่าพระทำวัดกันกี่โมงจะไปทำอะไรก็ไปทำนุ่นโบดจะไปนั่งพุโทโธก็ไปพุโทโธ จะไม่พุโทโธจะทำอะไรก็ไปทำไปกวาดลานวัดก็ไปกวาดใครอยากจะทำอะไรก็ทำไอ้นั่นแหละต้องมาฝืนใจกันจริงๆใครอย่างนี้เนี่นั่งทาตามเวลากันไปอ้ตื่นที่สีนะโอไม่อยากตื่นต้องตื่น ก, ก็หัดฝืนใจตัวเองไปถ้าที่นี่เขาไม่กดไม่มีบอกไม่อะไรเลยเนะ่ยจะตื่นไหม อ่ะก็เหมือนบ้านอ่ะทีเนี้ยบ้านเราตื่นไหมละ่ะเราจะตื่นมาทําวัดไหะจะตื่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไหมจะตื่นมาฟังธรรมไหมถ้าไม่มีข้อวัดเนี่ยไม่แล้วทําไมจะเกิดอะไรขึ้นความเคยชินในการเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อการตามใจตัวเองเกิดขึ้นในภาพซ้อนที่อยู่ข้างหลังก็คือการพอกคูณกิเลสให้มากขึ้นเรื่อยๆพุทธเจ้าเรียกการ ม, มาสุขานิการวิโยโค การประกอบด้วยความไข้ในกามทั้งหลายนึกอยากจะนอนก็ น, นอนนึกอยากจะกินก็กินนึกอยากจะไปไหนก็ไปนึกอยากจะทำอะไรก็ทำพวกนี้ไม่มีข้อวัดเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะสั่งสมกิเลสเข้าไปเต็มรักเลย <c oughs> ซึ่งอา้อาวว่าคนในโลกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> นั่นแหาคำตอบว่าทำไมปฏิบัติกันให้ตาย มาทำเจดวันอีกสามร้อยกว่าวันเติมกําลังทั้งหมดผมยังพูดไม่ถึงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงพูดแน่แล้วมีหลักฐานทุกอย่างด้วยความเป็นอยู่โดยชอบอริยมรรคในองค์แปดที่สวดกันมาจะได้รู้ว่าทำไมถึงทำให้ผู้ที่เดินตามมรรคบรรลุธรรมได้แล้วทำไมปล่อยให้ผู้ที่เฉิดแฉะเบิดแบะต่อให้มานั่งดูนั่งรู้เนี่ยไม่ขยับไปไหนเลย นอกจากได้แต่ตัวตนกลับไปเขาช่ำล้ากิเลสไม่ออกไม่มีสัมมาทิฏฐิในการเดินทางเลยนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกนึกว่าแค่นี้โอเคฉันก็โอเคแล้วหระแค่นี้ฉันก็ไหวแค่นี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรท่านได้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วถ้าจะเทียบกับก่อนมาเทียบกับตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบตอนนี้กับเทียบที่เส้นทางที่จะไปลังสิิตกับเทียมใหม่ อย่ามาพูดเรื่องอุบลจะโทษอย่ามาพูดเรื่องลําพูลานลําปางกันเลยพูดกันว่าลังสิตกับเชียงใหม่ดีกว่าครูบาอาจารย์สายวัดป่ามาทีสองทีนั้นก็กลับแล้วเพราะท่านไม่ไ้จะมาทำไมไม่มีใครชํารักิี่เลสมีแต่คนนั่งสร้างปัญญาที่ก่อตัวตนทั้งนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดจากการละความเห็นผิด สัมมาทิฏฐิมาจากการละความเห็นผิดไม่ใช่นั่งสร้างความเห็นถูกไปนั่งวิเคราะห์คำของผมนี่ดีๆถ้าเมื่อไหร่นั่งสร้างความเห็นถูกเมื่อนั้นจะได้ตัวจตนแทนเรามาดูเรื่องเวทนากันหน่อยที่เรานั่งแล้วปวดแข้งปวดขา แล้วเราก็บอกว่าโอ๊ยปวดขาจังชั้นปวดขาจังนะเราก็ได้ยินว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเมื่อคืนกระท่องเวทนาอนิจจงเวทนาอนัตตาเอาล่ะวันนี้เราจะมาดูเจาะเรื่องเดียวเลยเวทนาไม่ใช่ตัวตนนั่งปวดขาไมเพราวดาไม่มีใครไม่ปวดต่อให้อ่ะเยทีมงานเนี่ยนั่งกันมาไม่รู้ ขี่เทเลทรแล้วถามว่าปวดไหมมันก็ปวดก็เห็นนั่งกันนิ่งเลมันปวดนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรมันไม่ใช่ไม่ปวดอ่ะสมมติว่ามีคนมาหยิกเนี้ยถามว่าเจ็บไหมเจ็บงดกัดเจ็บไหมเจ็บเขาทำไมไม่ทุลนทุลายก็มันก็เจ็บนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเอออย่างนั้นแหละมไม่ได้จะต้องเจ็บจนทุรนทุลายอะไรหิวไหม อืมก็หิวนะอ่ะแล้วแล้วอดทําไมอ่ะก็ไม่ได้อดทําไมอ่ะให้กินทําไมอะกินทําไมอย่างนี้ไม่ใช่อดทําไมกินทําไมอย่างเมื่อเย็นไปอดทําไมใครอดกินทําไมมาถามอดทําไมไม่ได้อดทําไม แต่ผมถามตับ ว, ว่ากินทำไมกินไปทำไมผมไม่เห็นว่ากินแล้วได้อะไรทำไมต้องอดวทนา is touch Touch something too hot, and temperature sensors in the skin send nerve signals racing up the arm, up the spinal cord, and into the brain. All at 200 miles per hour. The brain detects the signal. Now, what? No. นี่เป็นแก้วน้ำร้อนนะเรามาดูตามที่เา็าเขาบอกว่ามือของเราเนี่ยหรือว่าติวหนังของเราเนี่ยจะมีเซนเซอร์ เ, เซนเซอร์ตัวรับความรู้สึกทีนี้เขาก็บอกว่าเมื่อเราสัมผัสแก้วน้ำเนี่ยปับความร้อนอะนะปั๊บ อไอไจุดรับสัมผัสทั้งหลายเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะส่งส่งส่งสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยที่เขากาลังทําเป็นสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยปื้บผ่านไขสันหลังขึ้นไปที่สมองนะดูดีๆนะตอนนี้นิ้วของผมถูกกับแก้วน้ําร้อนนะปั๊บเซ็นเซอร์ก็จะส่งปึ้บผ่านไขสันหลังขึ้นไปที่สมอง สมองรับสัญญาณแล้วก็แปลค่าว่าอ้าวที่ความเจ็บปวดนี่ถูกไหมเนี่ยสมองรับสัญญาณและแปลค่าว่านี่คือความเจ็บปวดแล้วส่งสัญญาณกลับไปที่ก้ามเนื้อเหมือนกับไอ้นี่ยนิ้วตรงไปสัมผัสของผมเนี่ยส่งโทรเลขเลยเหมือนกันนลยส่งโทรเลขตึ๊กตึ๊กตึสมองก็รับโทรเลขอ้าวนี่มันร้อนนี่ก็ ออกคำสั่งเธอเอเธออกลับไปแล้วก็อยเอาล่ะระหว่างนี้นะเธอถ้าถ้าพลเรลเอกไปไม่ถึงจะด้วยกระบวนการใดก็ตามอาจจะเส้นขาดเส้นเส้นส่งสัญญาณขาดสายสัญญาณขาดเธอเๆมือที่จับนี่จะร้อนไหม ไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วเป็นอะไรไหมอาจจะพองแล้วก็เน่าไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ไหม้แล้วก็เน่าในที่สุดอสมมุติอนาคตตกลงเวทนามีไว้ทําไมาไอ้อย่างเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปกป้องตัวเองโอ้ยปวดขาดจังเมื่อไหร่จะข้ามเวทนาได้สักที หายไปเมื่อไหร่เขาจะเรียกอมพาธเย่าพภาวนาให้เวทนาหายไปเชียวหายเมื่อไหร่มีเรื่องมีเรื่องนักฟุตบอลเตะโคมๆกระเด้งกระเพกไม่ใช่กระเด้งกระเพกกระเพกออกมานอกสนามแพร่สนามฉี่สเป พัพ บ, พ บ, พบลงไปวิ่งอีกรูเราก็นึกออกว่าสเปรย์มันทำหน้าที่อะไรสเปรย์ยาชาเนี่ยก็ไอเซนเซอร์เนี่ยะก็ไปบล็อกไม่ให้เซนเ ซ, นเซอร์มาส่งสัญญาณก็แค่นั้นเองคือทำลายเส้นการส่งสัญญาณทิ้งซะชั่วคราวเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีแต่ถามว่าวอาการอักเสบยังอยู่ไหมอยู่เท่าเดิม ก่อนในเมื่อเขาซื้อตัวกันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านกันนะ่ะช่างมันเถอะกบสัญญาสามปีขามันจะขาดอีกแปดปีข้างหน้าสามปีนี้เอาให้คุ้มก่อนลงไปวิ่งหัวายให้ลื้อไปเท่าไหร่ลงไปวิ่งสเปฉีดให้มันชาแล้วอาลงไปวิ่งได้เลยไปยิงประตูให้ได้เงินเรื่องใหญ่คุณตายเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ เพอเดี๋ยวซื้อตัวใหม่ได้เพราะฉะนั้นเขาฉีดไปเลยออกไปเลยความอักเสบไม่เคยหายเอาละนั่นเรื่องหนึง่งกลับมาเรื่องของเรานะ่ะนั่งสมาธิปวดคขาไหมปวดแสดงว่าเซนเซอร์ส่งสัญญาณไปที่นี่ยขยับไม่ขยับอาจารย์ไม่ให้ขยับ <c oughs> อาจารย์ไม่ให้ขยับ <c oughs> ก็ต้องนั่งทนนั่งไปทนนั่งกับความปวดเพิ่มขึ้นไหม ก็ส่งสัญญาณอีกเป็นสี่แต้มแล้วนะขยับมันเคยขยับไงมันมีสัญญาณว่าจะขยับไอ้ น, นี่มันไม่ขยับยังยนาฬิกายังยปิ๊ตตห้อดทนไปมันขึ้นห้าแต้มมันส่งไปอีกห้าแต้มแล้วนะเดี๋ยวก็ขาหักหรอกเดี๋ยวก็ป่วยหรอเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลหรอกนะมันจะพูดสารพัดแหละทีเนี้ยมันจะเอาให้ได้จะให้ขยับให้ได้ด้วยเหตุผลสารพัดมันก็ไม่ได้มีตัวตน แต่ก็แปลกมันก็ยุจังนะมันก็พูดไม่หยุดมันไม่มีตัวตนมันก็อยู่เฉยทีไม่มีตัวตนมันพูดอยู่นั่นนะบอกมันบ้างก็รู้มันไม่มีตัวตนอ่ะอย่ามนหลอกกันเลยไอคนพูดมันมีตัวตนก่อนนะเรียบร้อยไปทะเลาะกับคนไม่มีตัวตนเหมือนพวกเปิดคูกิลแมปขับรถอ่ะทะเลาะกันอยู่นั่นมึงบอกทางถูกถูกเลยได้ไหม นึกว่าจะช่วยให้ไปเร็วขึ้นลิง อ, ล อ, อ้อมแล้วอ้อมอีกอ้มแล้วอ้อมอีกตกลงมจะขึ้นทางดวนแล้วจะลงทางดวนเนี่ยดูแล้วมันงงจะตายเอ้ยลูกสอนของมันเนี่ยคอมไปบทัางถนนเลยขัดทางเล็กๆหน่อยถนนใหญ่ๆหน่อยเมื่อวานมาก <laughs> พูดไล้เอีกกูครืมแหวนนี่เปิดทีงสองเครื่องเลยตอนนี้ <laughs> พาหลงทาง <laughs> จริงกูก็แแบก็ได้พาหลงทางมันหลงเพราะคนขับโง่สมองเห็นนะมันฝ่อเพราะอะไรไรู้ไมฝ่อเพราะกูแกลแมทไปดูดิที่เขาบอกว่าคนที่สมองโตแล้วก็มีเส้นหยักของสมองมากที่สุดคือ จากผลวิจัยคือใครได้ไหมคนขับแท็กซี่ลอนดอนจากผลการวิจัยสมองของคนขับแท็กซี่ลอนดอนทั้งใหญ่ทั้งโตทั้งมีเส้นอยกักราวกับไอสตายเลยเพราะโอ้ิถนนแต่ละเส้นผมว่าอีกไม่เกินห้าปีมันจะฟอลงเรื่อยๆเพราะคนขับแท็กซี่จะเริ่มใช้ Google Map ปูประแมพกันหมดสมัยก่อนเนี่ย ทุกคนต้องจําเบอร์โทรศัพท์ผมก็ต้องจําได้ทุกบ้านเลยเดี๋ยวนี้มีอย่าต้องจำํำอดเอาเลยแล้วมันจะใช้ทําอะไรไอ้นี่ยยังใช้จะใช้ทําอะไรมันเหลืองอานครึ่งเดียวก็ออกไปสักครึ่งนึงก็จะได้ไม่ต้องเปลืองอาหารนี่เป็นธรรมชาติของนามรูปอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลืองอาหารไม่ต้องตึกอาจารย์น่าเห็นใจนะอาจารย์สมองฟอแบบเนี้ยอีกอนาคตไปสแกนของตัวเองดูเหอะ <laughs> เคยสแกนบ่าหรือเปล่าเอ i ไออ่ะไปดูของตัวเองบ้างจะหนาวกับผมของผมเนี่ยหมอยังงงอาจารย์นั่งบรรยายทุกวันมันฟอร์ได้ยังไงอยู่วะคนฟอร์นี่คุณหมอบอกว่า อ, ออกกันนอกเปทนานาะ <c oughs> เดี๋ยวจำ ไ, ไว้ด้วยเราออกไปซอยไหน <c oughs> เดี๋ยวขับไม่ถูกหมอบอกว่าอาการอย่างเนี้ย มันจะเริ่มเจอในคนที่กำลังเข้าสู่วัยหกสิบแล้วก็สู่หกสิบกว่าเจ็ดสิบวิธีการที่คุณหมอจะแก้เรื่องของสมองในผู้สูงอายุที่กำลังเข้าสู่ความกาลังจะเข้าสู่ความเป็นไอเข้าสู่การเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือหนึ่งหมอบอกเลยว่าเบสิคเบสิคออกกำลังกาย สองหลักการคือทําการกระตุ้นให้สมองยังคงทํางานอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้หยุดซึมเศร้าลงเมื่อใครหยุดซึมเศร้าหงอยเหงาเมื่อนั้นสมองจะฟอลงอย่างรวดเร็วเลยทีนี้วิธีการของหมอก็ไม่รู้จะทํายังไงหมอบอกว่าอาจารย์หมอให้คนแก่เล่นเกมคือให้มันตึ๊กตึ๊กตึทกึกึกตกข้างในเอาไว้ เพราะตาบใดก็ตามที่มันยังตึ๊ดตืกต๊ก็กมีธรรมชาตินึงของนามรูปที่ยังทํางานกันต่อแต่หมอไม่ได้รู้เรื่องนามรูปนะแต่ผมเดี๋ยผมเรียกหมอมาเพื่อจะมาอธิบายฟังแล้วจะอธิบายอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อให้เอาไปสังเกตในในวงการแพทย์แล้วก็เป็นฐานข้อมูลที่อาจจะเข้าไปอยู่ในอีกระบบหนึ่งของสถิติ S <S เม<ต> <Julia> ื <Toyota> <to> <world> ่อเข้าไปกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเอาไว้เนี่ยมันเหมือนคนที่กําลังจะหลับแล้วก็กําลังจะเลิกเนี่ยแต่กระตุ้นเหมือนคนต้องออกกําลังกายที่ผมบอกว่าถ้าคนเราต้องเดินขึ้นเดินลงอ่ะสมมติอยู่เกาะพลเยเนี่ยผมก็นึกที่อื่นไม่ออกที่ไหนก็ได้ที่ส่านบอกเดินขึ้นเดินลงเยอะๆอ่าอยู่อยู่บนกึงกึงเขาเขาเนิเนินหน่อยเนี่ยเดินขึ้นเดินลงทุกวันกล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ถูกไหมล่ะ แต่เมื่อไหร่ท่านหยุดนั่งดูแต่ทีวีแล้วก็จ่องนะเนี่ยกล้ามเนื้อหดตัวโดยธรรมชาติถูกไหมมันไม่เท่าเดิมหรอกมันจะไปเท่าเดิมได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้ใช้มันเป็นธรรมชาติของนามลูกร่างกายไม่ใช่ร่างกายเดียวเดียวเขาเราก็ใจผิดแล้วอุ้ยตอนนี้ทําไมเราเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอื่นนี่แหละก็ถึงเรียกอนัตตาแต่ทั้งทุกคนในโลกมันไม่เข้าใจคําว่าอนัตตา มันไม่เข้าใจขันว่าทำงานยังไงก็ในเมื่ออะไรไม่ได้ใช้มันก็ต้องเลิกทำกันไปก็ต้องหยุดก็ต้องชะลอก็ต้องเอาให้เหลือเท่าที่จำเป็นพลังงานในร่างกายเนี่ยมีการจัดสรรมีการจัดสรรกันโดยธรรมชาติตื่นขึ้นมาข้าวไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อวานทำไมตื่นมายังมีแรงเดินอยู่ได้เพราะพอถึงตีสี่เมื่อเราตื่นตีสี่เรายังไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายจะสร้างน้ําตาลจะผลิตน้าตาลขึ้นมารอเลยรอเลยแล้วก็ให้เราใช้ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เราทานข้าวแล้วก็เอาน้าตาลจากการทานข้าวใช้ต่อไปอีกเมื่อมีการทานแค่มือเดียวร่างกายจะเริ่มชะลอการย่อยอาหารลงเพื่อดึงน้าตาลเนี่ยให้เกลี่ยลงไป ให้ใช้ทั้งวันเขาจะปรับตัวของเขา <c oughs> ขเขา้ากู่สู่สภาพใหม่ตลอดเวลาแม้แต่อ่ะท่านมาสองมือ้อ่ะเดี๋ยวกลับไปสา ม, มื้อร่างกายก็จะปรับต่อไปมันไม่ตายง่ายๆเลยเนี่ยนะคือมันมีธรรมชาติถ้าจะบอกว่าสู้ตายเดี๋ยวกลายเป็นบุคคลเราเข่าขึ้นมาอีกแต่มันมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วมันมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วมันสู้จนกระทั่งมันถึงจุดที่มันเลย เลยความยืดหยุ่นของมันอ่ะมันจะรับไม่ไหวละ่ะแต่มันจะยืดหยุนยืดหยุย่น ย, ยืดหยุนยืดหยุนจนกระทั่งสุดละแต่สภาพความยืดหยุ่นเนี้ยมีขึ้นกับอายุก็ดีขึ้นกับอาหารก็ดีขึ้นกับอารมณ์ขึ้นกับสุขภาพของคนคนนั้นก็ดีความยืดหยุ่นก็จะแตกต่างกันไปบางคนนั่งรถเมาบางคนนั่งรถไม่เมานั่งเรือเมานั่งเรือไม่เมาเพราะฉะความยืดหยุ่นของแต่ละคนมีแตกต่างกันแต่การปรับตัวอะลองนั่งให้เมามาสักเดือนเถอะ ดูสิมันจะยังเมาต่อไหมไม่เมาหรอกมันก็ต้องปรับตัวใหม่พ่อแม่ทุกวันเนี่ยผมเห็นลูกออกมาแพ้ไอ้นั่นแพ้ไอ้นี่แพ้ไอ้นู่นหมอก็บอกว่าเ อ, อแพ้แป้งแพ้อ่านี่ต้องกินแป้งนี้ไม่ได้ต้องกินแป้งนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วพ่อแม่ก็เลยไม่ให้กินแป้งนั้นแป้งนี้ผมบอกจบจบทางนี้ยลูกคุณจบจะต้องกินอย่างเงี้ย ไปจนตายแล้วอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ดีขึ้นถ้าทู่ซีกินเข้าไปก่อนตั้งแต่เด็กๆร่างนี้ร่างกายนี่จะปรับใหม่โถ่โทษนะสมัยก่อนเนี่ยนะผมกินเหล้าแล้วแพ้ผืนขึ้นผมกินมันจนผืนหายเลยทำไมมันจะไม่ปรับ ไอ้นี่นะมันไม่ได้ส ก, กรีนว่า อ, อะไรดีอะไรไม่ดีนะมันก็อ่าถ้าถ้ามันจะเป็นบุคคลเราเขาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะถ้าจะบอกเนี่ยนะมนไม่ต้องบอกก็ได้สมมติว่าชีวิตมันเกิดต้องอยู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผืนมันขึ้นเนี่ยมันจะปรับตัวเข้าหาปรับไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆจนกระทั่งแอลกอฮอล์ไม่สามารถทําอะไรมันได้อีก เพราะความยืดหยุ่นยังมีแต่บางคนถ้าไปไม่ได้กินยี้อขายใจไม่ออกขาดใจตายนั่นคือความยืดหยุ่นไม่มีเพราะฉะนั้นการที่สมมติว่าลูกแพ้แป้งแล้วไม่กินแป้งเลยเนี่ยแล้วมันจะสร้างภูมิมาจากไหนวันนี้พวกเราอ่อนแอลงเพราะเราดื่มน้ําสะอาดอย่างไงว่าจางเด็กๆเนี่ย ถ้าเอาีเอาอายุผมเป็นหลักแล้วก็ใครแก่กว่าผมเนี่ยสมัยก่อนดื่มน้ำป๊อกกันทั้งนั้นเล่นกับดินกินกับทรายเตะฟุตบอลกินขี้ฝุ่นแล้วก็ดื่มน้ำจากก๊อกเหนื่อยจะตายใครจะไปหาสมัยนั้นไม่มีน้ำขวดกินแล้วผมก็ได้ข่าวเป็นเรื่องขำๆกันตอนวัยรุ่นฝรั่งมาเมืองไทยขี้แตกกันหมดเพราะว่าแพ้น้ำผมบอกแปลว่าอะไรว่าแพ้น้ำ พอกินน้ามันบอกน้าสกปกสกปกที่ไหนกูกินมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กันแบบนี้ลองไปอินเดียดเด็กที่มันกินน้ําก๊ก็ลองไปกินตามดูสิเราก็ขี้แตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรเหลือแล้วที่จะสร้างภูมิแล้วจะเอาอะไรทุกวันนี้ก็ถือต้นฉีดวัคซีนวัคซีนวัคซีนกันอยู่นั่นอนะ่ะก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ่ะกินแต่สะอาดเข้าไปนะ่ะอาจารย์พูดดีๆนะมันสองแง่นะก็ ไม่รู้ก็กินกันแต่แบบนี้งก็คลีนกันจัดเลยมันก็ตายเร็วดิอะไรที่ควรจะมีอะไรที่ควรจะสู้ควรที่ร่างกายจะต้องผลิตขึ้นมาร่างกายนี่มีกระพราไอมีกระบวนการที่จะสู้อยู่แล้วขอให้ใส่แต่มันมียืดหยุ่นนะต้องเข้าใจนะอะไรที่มันสู้ได้มันก็สร้างขึ้นมาเต็มที่แหละแบคบทีเรียตัวไหนตัวไหนมันก็สร้างสมดุลกันขึ้นมาหมด กลับมาที่เดิมก่อนเอาละนะเมื่อกี้เห็นแล้วนะกระแสไฟฟ้ามีการแปลค่าส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าเอาละเมื่อกี้เราไปถึงเรื่องนะักกีฬาอะไรเนั้นะฉีดสเปรย์สมองสั่งบอกว่าปวดแล้วก็ส่งสัญญาณกลับ interpret as pain and fires another signal back to the muscles we move the hand away แล้วเราก็ดึงแขนออก แม้แต่เด็กๆไม่ต้องรู้เรื่องไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องอะไรเลยเขาก็ดึงแขนออกแล้วก็ร้องจ้าเพราะฉะนั้นจับตื้อตืต้อออกเราเจ็บเราปวดเราร้อนเราไหนครับ เราอยู่ตรงไหนของกระบวนการนี้มีเราอยู่ตรงไหนของกระบวนการนี้กระบวนการนี้มีเราที่ตรงไหนนี่คือโปรเซสทุกจะบอกว่าเขาทาตามหน้าที่ก็หน้าที่เคยได้ยินทา ม, มากคือหน้าที่ไหมไม่ใช่คนททาธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติ หน้าที่ของธรรมชาติทำงานกันโดยธรรมชาติมีสมอ้างลมลมแรงแรงขึ้นมาบอกกระบวนการธรรมชาตินี่ว่าเราเจ็บจังเลยเราเมื่อจังเลยเราปวดจังเลยเมื่อเข้ามายึดธรรมชาติที่ไม่ได้มีตัวตนอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการบอกว่าเราเจ็บจังเลยเนี่ยจึงเกิด ผู้ทุกขึ้นมาเข้าไปยึดของเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเราซึ่งเป็นกระบวนการธรรมดาที่เขาทำงานกันเพื่อจะปกป้องตัวเองตัวของเขาเองเนี่ยตัวของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มารวมกันโดยเหตุปัจจัยเนี่ยนะนั่นแหละรู้จักทุกขังเนีอยังนะก็เกิดขึ้นที่ใครละ่ะทุกขังนะก็เกิดที่เราดิ แล้วทำไมจะไม่เกิดที่เราก็เราไปยึดอะไรอ่ะก็ไปยึดสังขารานี่ไงร่างกายจิตใจนี่สังขารคือร่างกายจิตใจนี่ก็เข้าไปยึดจิตใจนี่ไยอยู่ๆเข้าไปยึดแล้วจะไม่สังขารนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกขังยังไงอ๋โอโอเคเข้าใจละอะละ่ะเดี๋ยวไปนั่งสมาธิสองชั่วโมงดูที่จะเข้าใจไหมอ่า เข้าใจก็ต้องเข้าใจดิไม่ใช่เข้าใจเข้าใจแล้วยังทุกข์แล้วทําไมถึงไม่แล้วถึงทําไมยังทุกข์อ่ะเข้าใจอะ่ะเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเนี่ยถูกไหมผมอธิบายเนี่ยไม่มีอธิไม่มีอธิบายได้มากกว่านี้แล้วนี่เปิดเปิดกระทลอกเปลือกกันหมดแล้วให้ดูให้เห็นกันแบบโอ้โหมันเปิดโลกแล้วนี่เปิดโลกแล้ว เปิดโลกแบบเถียงไม่ออกหมอทุกคนเวลามาเข้าเขาบกแมอยากเถียงแล้วเถียงไม่ออกะเปิดให้เห็นเลยเนี่ยเถียงไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่สื่อที่ผมทำํำแล้วไม่ใช่สื่อของพระพุทธศาสนาด้วยผมไม่เคยต้องใช้สื่อของพระพุทธศาสนาเลยผมใช้สื่อของโลกเนี่ยผมถือว่าคําสอนของพระเจ้าปัญญาการตัดสู้ของพระองค์เนี่ยคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าสื่อของโลกเป็นความจริงพุทธศาสนาต้องตอบได้หมด แล้วต้องตอบได้หมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยหมดข้อสงสัยไม่งั้นพระอรหันต์จะหมดวิจิกิจช้าได้ไงหมดวิจิกิจช้ากันไปเลยคือถลกเปลือกันเห็นหมดเลยหมดข้อสงสัยละไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่โง่เข้าไปยึดอย่างเดียวหมดโง่ไปมั้นก็หมดทุกข์ละหมดโง่ก็หมดทุกข์ทำยังไงล่ะถึงจะหมดทุกข์อ่อเขาเข้าไปสังเกตแล้วใช้อะไรเข้าไปสังเกต แค่อะไรก็ไปสังเกตจะเรียกอะไรก็ได้ ส, สติปฐานอานาปานสติกายคตาสติจะใช้ผู้รู้จะใช้อะไรก็เข้าไปสังเกตสิสังเกตอะไรก็สังเกตกายกับใจนี่สังเกตจนเห็นว่าอ๋อกลกัใจนี่เป็นธรรมชา ต, ติแล้วผู้สังเกตอ่ะแล้วผู้สังเกตอ่ะ ผู้สังเกตก็เป็นธรรมชาติแล้วมานัาางสังเกตอะไรถ้ายังเป็นธรรมชาติถ้ายังสังเกตอยู่ยังมีตัวตนอยู่ replies, ยังดูยังรู้อยู่ก็ยังไม่หมดตัวตนถ้าหมดตัวตนห er มดสงสัยแล้วใครจะสังเกตอะไรมันมีแ<า>ต <avaient> ่ธรรมชาติแล้วใครจะสังเกตอะไรก็มันมีแ <stell> ต <dolphins> <By> ่ธรรมชาติ ไม่นั่งโง่สังเกตเลยไม่มีใครนั่งสังเกตอะไรกิ้เล็ดก็ไม่ได้กินหรอเพราะไม่มีที่ให้ยืนจะยืนตรงไหนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรให้ยืนสภาพนี้เรียกว่าสุญญาตา เพราะฉะนั้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัญญาณารตัดสรุปนะไม่ได้ จ, จบแค่มีสติคอยระลึกหรือสติปัฏฐานสี่นะนั่นแก่มรรคอง์ที่เจ็ดเส้นทางอย่างหมุนกลับซักฟอกวนจนข่าวรอบไปจนถึงสัมาทิฏฐิใครเกิดสมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยในอริยมรรคในองค์แปดใครเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เราแน่แต่มีธรรมชาติที่เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาถ้านั้นยังไม่จบถ้างั้นยังไม่จบจ บ, จบจริงๆไม่มีใครมีสัมมาทิฏฐิธรรมชาติทำไมต้องมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิที่ไหนต้นไม้ต้องมีสัมมาทิฏฐิแดดฝนลมการเกิดขึ้นของโรคจักรวาลสัมมาทิฏฐิไหนสัมมาทิฏฐิคือเข้ามาสังเกตจนเข้าใจแล้วใครเข้าใจถ้ามีสัมมาทิฏฐิไม่จบจบที่สัมมาญาณอะ สัมมาวิมุตน n ุนสัมุตะสิทน่ะถึงจะจบในพระอาหนเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปเถอะไม่ได้มีใครหรอกเอาลวนี่ใครก็จะเป็นใครก็ได้ถ้าจะว่าเป็นใครเอาละสำหรับเรื่องเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะก็แค่นี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าไม่ใช่ตัวตน เมื่อเข้าไปยึดของไม่มีตัวตนก็มีผู้ทุกมาคืนกับฟังอนิจจังทุกขังแล้วทุกขังทุกขังทุกขังเนี่ยจำไว้เมื่อยึดถือของที่ไม่มีตัวตนเมื่อนั้นจะมีผู้ทุกขแล้วใครละ่ะทุกเราเนี่ยเราก็ทุกข์กับการปวดขาอยู่นั่นไงก็ยึดของไม่มีตัวตนยึดของที่ไม่ใช่ของเรายึดของที่เป็นธรรมชาติที่เขามีเอาไว้ นะอ่ะแล้วขันมาจากไหนล่ะทั้นั้นขันมาจากความไม่รู้ตั้งแต่ชาติก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันนี้เมื่อขันมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเกิดความไม่รู้แล้วก็เข้าไปยึดถือแล้ววินาทีแรกที่ยังไม่ยึดถือเนี่ย ตั้งแต่ตัวน้อยๆ อ, ออกมาจากท้องแม่เนี่ยหรือว่าตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันยังไม่มีใครยึดถือมันเลยยังไม่มีตัวตนเข้าไปยึดถือยังไม่มีอุปาทานเลยแล้วขันมาจากไหนก่ขอขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็ใช่ไงก็วิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเนี่ยก็ปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณไงเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแล้วก็รัปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณมาจากไหน ก็มาจากกรรมเก่านั่นแหละที่ทําค้างเอาไว้ก่อนตายนั่นแหละก่อนตายถ้าสมมุติว่าก่อนตายนั่งเครื่องบินอยู่แล้วเครื่องบินตกเนะ่ะอ๋อเฮ้ยฉันไม่อยากตายเลยกี๊ดกรี๊ก๊ดกันทั้งลาเนี่ยขณะที่กรี๊ดกรี๊ดกันทั้งลําเนี่ยต้านาเกิดไหมถ้าตูมลงไปเนี่ย ถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ สมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชือ้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหา ย, ย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นแล้วมีไหมละ่ะสัตว์ที่ไม่ได้ถูกฝึกก่อนที่จะตายและมีอาการสงบ แอ่ปวดขาเนี่ยยังไม่สงบเลยก่อนที่กายจะแตกทำลายมีหรือจะสงบเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิปวดขานะให้บอกตัวเองเลยว่านี่ไม่ได้เศษเซี่ยวของวินาทีก่อนตายจะบอกให้ยะยังมีตกใจอีกนะไม่ต้องห่วงก็ห่วงอะ่ะตอนนี้เดี๋ยว น่าจะสัตย์ในวันที่สองนะน่าจะสักวันที่สองวันที่สามนะอีกอไม่ใช่การปฏิบัตินะอีกสองาวันไอสองวันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูวินาทีก่อนตายดูซิมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพระยนั้นท่านนั่งสมาธปิปวดขาแล้วกระสับกระส่ายจิตเอาไม่อยู่เลยนะอ๊ไม่ไหวแล้วฉ้น นั่าเขาเรียกตันหาบีบคั้นแล้วท่านได้สร้างเหตุไม่ใช่ต้องรอเกิดใหม่นะท่านได้สร้างเหตุเกิดของภพภูมิตลอดเวลานั่งก็ว่านี่ไหวฉันที่หลังฉันไม่เอาแล้วแบบนี้นะเราเกิดขึ้นในใจเรียบร้อยแล้วมันเริ่มจากโลกเล็กๆที่เราสร้างไว้แล้วมันก็เฟื่องเนี่ยจะหมุนหมุนเนี่ยต่อไปหมุนการเกิดเนี่ยต่อไป แค่เราเห็นอาหารกระทบโอยอยากกินเนี่ยท่านได้คิดปัญหาเกิดแล้วได้หมุนพบชาติของท่านเกิดต่อไปเรื่อยๆโอ้ oh, นี่ทุกขณะเลยเหรอท่านไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้เรื่องตัวเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้มีเป็นกระตั克 ทำยังไงจะจัดการกับไอ้ตั๋วเกิดใหม่เนี่ยคืนๆเข้าไปให้หมดแล้วไม่ขอใช้สิทธิ์นั่นแหละคือชีวิตที่เหลืออยู่ท่านฟังนางลูกหมูมาแล้วเกิดกันไม่ได้หยุดเลยเกิดกันไม่ได้หยุดเลยนะัะแล้วดูสิเกิดเป็นอะไระ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรนะ เป็นลูกหมูเป็นแม่ไก่เป็นเทพธิดาเป็นโอ้โหไปอยู่ในบ้านเศรษฐีบ้านชาวประมงโอ้โหไปกันไล้แนวเลยคือนะไปกับไล้แนวอ่ะคือไม่รู้ยังไงเลยแต่ก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหลนะทำอะไรไว้ก็ไปงั้นนะ วันนี้โอ้ชาตินี้นะมีอมีคนรักมีลูก ม, มีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นทั่วแแวะแไปอยู่บ้านไหนอีกทีก็มีพ่อมีแม่มีครอบครัวคูวตายอีกทีอ่ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องนะก็ไม่รู้เรื่อง นี่แค่เอาเป็นคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยมาเนี่ยเป็นเส้นตัดในสังสารวัตกันเฉยๆก็ ย, ยังยึดมั่นถือมั่นผูกพันกันจะเอาเป็นเอาตายได้เดี๋ยวก็ผู้วหายไปเลยไปจุดทูปขอให้ได้เกิดร่วมชาติกันไม่ต้องจุดไปจุดทําไมไม่ต้องห่วงเราไอ้ที่ด่ากันทุกวันเนี่ยเจอกันแน่อาจะอย่างเรามาถือสิน ปฏิบัติพืชปฏิบัติธรรมเกิดในภูมิสมมุติกลับมาเป็นมนุษย์ไอ้แฟนเอาแต่กินเหล้านะขอให้ได้เกิดร่วมชาติพัวไม้ทิงเองเอ ง, เอ ง, เองมาเลยนะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมนะเชียร์มั่งเตะมั่งไอ้เราก็เอ็นดูเอ็นดูหมาตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะนะระวังกลับข้างกันก็แล้วกัน <c oughs> ชาติหนึ่งก็าทำไมเขาพูดกับเราไม่ค่อยดีเลย อ๋อเราเราขี้ที่เยี่ยวบนพรมตลอดนี่ใช่ไหมก็ไม่รู้เรื่องถ้าเดินถ้าท่านผมบอกถ้าท่านไปบอกนอนเนี่ยบอกนอนแกมสกรปรกโสกโครกอเอาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่านอนก็งงๆ ง, งมาทำไมเป็นมนุษย์เป็นนอนเนี่ยมีกินมีใช้มีข้าวมีอาหารบริโภคแสนจะสุขสบายถูกไหมล่ะสาหรับนอนอะ ท่านก็เออหนอนนี่มันโง่จริงนะท่านไปชวนมันเกิดเป็นมนุษย์มันจะมาไหมไม่มาเชื่อไหมไม่มาแล้วท่านคิดว่าถ้าท่านไปชวนนกมามันนกจะมาไม่มาหมาละ่ะไม่มาวิ่งได้อิสระเสรีไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยไม่มาหรอกมาทำไมหมาก็ไม่มาแมวแมวยังไม่มาใหญ่ ถ้าท่านอยากเกิดเป็นเดรัจฉานไหมแล้วรู้ไหมถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานแ ล, แล้วท่านจะไม่มารู้ไหมสังสารวัตน์นี้น่ากลัวกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่น่ากลัวแบบที่เราคิดถ้าหลุดไปเมื่อไหร่ท่านจะเหมือนหนอนทุกตัวที่ปฏิเสธการมาเป็นมนุษย์จะเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนนกเหมือนสัตว์เดรัจฉานทุกตัว ที่รู้สึกแล้วว่าตัวเองดีอยู่แล้วเชื่อไหมว่าถ้าผมชวนท่านไปบวช ท, ที่เกาะอะวยท่านไม่ไปทั้งทั้งที่ผมบอกว่านี่คือหนทางการพ้นทุกขตามคำพระศ า, ศาสดามีคําสอนทุกอย่างมีเส้นทางการปฏิบัติท่านไม่ไปท่านจะรู้สึกว่าฉันอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนี่ฉันก็สุขสบายดีแล้วเนี่ยเห็นหรือยังว่าถ้าไม่รู้อริยสัจจบปิดประตูรั่นดานได้เลยปิดประตูลั่นดานได้เลย ท่านจะจมอยู่ตรงนี้คือสูงสุดสูงสุดที่มีอยู่หลังจากนี้จะมีแต่ต่ลงอย่างเดียวไม่มีที่จิตยังไม่ถูกพัฒนาแล้วจะอยู่คงที่ได้ไม่เสถียรมีคนมาด่า น, นิดเดียวก็โกรธแล้วยิ่งทำงานมีเงินมีทองใช้อำนาจวาสนาความยิ่งใหญ่มันจะเต็มหมดเคียรตอมนิดเดียวรับรองโทสาระเบิดสัตว์นรกเข้าสิงเลย ยิ่งใหญ่เท่าไรยิ่งตายไปแต่สั์นลกเลยทีนี้ลงไปเมื่อไหร่นะอย่าได้คิดว่าจะกลับขึ้นมาอีกไม่หมูหละ่ะนอนเหนินไก่เกยจะไม่มีมาพระเจ้าตรัสไว้เลยนะไปดูในเรื่องภพภูมิทั้งหลายนะที่พระเจ้าตรัสเนี่ยท่านบอกอย่าให้ตถาคตต้องอธิบายเลยว่าสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์มากขนาดไหนท่านอย่าไปนึกแค่ ที่ท่านเห็นไอ้น้องหมาน้องอะไรเนะี่ยตามรายการนั้นนี้วิ่งกระดึก๊กกระดึ๊กกระดึ๊กตอนไม่อยู่บ้านเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนเจ้าของไม่อยู่เนี่ยมันทุกข์ใจจะขาดนะ เพราะความที่ยิ่งรักยิ่งผูกพันยิ่งกอดกันยิ่งนอนกันยิ่งไปไหนด้วยกันท่านก็ลองนึกภาพดูว่าท่านอยู่ในสภาพนั้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาจากไปไหนก็ไม่รู้อันนั้ น, ม, นมันสื่อสารกันไม่ได้ถ้าจะดูหัวจิตหัวใจให้กลับไปดูพ่อแม่สักคนที่นั่งเป็นห่วงลูกก็หนึ่งทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วตีหนึ่งแล้วตีสองแล้วทําไมลูกยังไม่กลับอีกลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าหัวจิตหัวใจมันเหมือนจะ หลอมละลายลงไปมันเหมือนจะแตกทําลายลงไปเพราะความไม่รู้เพราะความผูกพันเพราะความรักมันนํามาซึ่งทุกเศร้าหมองแบบบีดทั้นอย่างเนี้ยเดรฉานเป็นยิ่งกว่านี้อีกที่เราได้ยินว่าสัตว์คู่ผัวตัวเมียเมื่อตัวหนึ่งตายอีกตัวจะตายคิดว่าไอ้ตัวหนึ่งตายแล้วตัวก่อนที่อีกตัวงจะตายน่ะมันทุกข์แค่ไหน ถ้ามีคนคนหนึ่งที่สามีตายหรือว่าภรรยาตายแล้วเขาก็นั่งตรอมใจตรอมใจตรอมใจตรอมใจไปอีกห้าปีสามปีแล้วเขาก็ตายสามปีห้าปีก่อนที่จะตายแล้วมันทุกข์แค่ไหนมันทุกข์จมลึกจมเศร้าจมเศร้าจมเศร้ า, ร า, ราลงไปเพราะสัญชาตญาณ น, นี่แหละมันออกไม่ได้เดรัจฉานใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณไม่มีสติปัญญาที่จะมาระลึกขึ้นมาได้มีแต่มนุษย์ฐานเดียวที่จะระลึกขึ้นมาได้ ที่จะพลิกจิตได้นอกนั้นเป็นไปตามสัญชาตญาณทั้งหมดไม่ใช่คิดไม่ได้สัญชาตญาณไม่ใช่คิดไม่ได้คิดได้มีคนด่าท่านกโกรธท่านคิดไหมล่ะโกรธอะ่ะคิดหมาก็คิดแมวคิดแต่มีไม่ล่ะที่ท่านโกรธโกรธแล้วช่างหัวมันวะแต่หมาแมวทำไม่ได้ท่านยังมีนะต่อให้คนไม่มาปฏิบาาัติธรรมเฮ้ยช่างมันวะ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ช่างมันซิวะคือมันจะกลายเป็นว่ามึงกับกูมีเรื่องกันแน่แล้วมันก็จะผูกใจเจ็บกันลงนรกกันไปเลยเพราะมันพิกจิตไม่ได้ลองถามตัวท่านเองวันนี้ว่าเคยโกรธใครไหมเอาแบบที่เขาทาให้ท่านเจ็บช้าน้ําใจเลยวันนี้ท่านสามารถปลดมันลงได้ไหมถ้าสามารถปลดลงได้ถามว่าปลดมันลงได้เร็วแค่ไหนโอ้มาตั้งยี่สิบปีกว่าจะทิ้งมันได้ หรือไม่ป่านนี้ก็ยังลืมมันไม่ได้ยังแคะนอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามที่ท่านลงไปในอบายโอกาสที่ท่านจะพลิกจิตกลับขึ้นมาสู่ภูมิที่เป็นสุขติจะยากมากๆเพราะการเปลี่ยนภพภูมิมาจากการพลิกจิตอย่างเดียวมาจากการพลิกจิตสังเกตไหมเมื่อโกรธใครเนี่ยอยู่ๆมีคนเอเธ อ, เธอจับมือกันเธอนะั้นพอจับมือพับร้องไห้ร้องห่มดีใจ เหมือนกับวางภูเขายกภูเขาออกจากอกร้องไห้กอดกันเลยนั่ น, นี่ยคือการพลิกจิตแล้วเห็นไหมว่ามันเบาแล้วมันมีความสุขแค่ไหนเมื่อเป็นพลิกได้เมื่อพลิกได้มันต้อเกิดสถานการณ์นั้นถ้าพลิกไม่ได้มันจะแค้นกลุนกลุนกุนกุนกลุนอยูอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมีแต่นรพบฐานเดียวมาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเก็บเอาไว้เก็บไว้วันหนึ่งคงได้ใช้แต่ไอ้นี่เอาก่อน ให้ที่กำลังกุลุ่นอยู่ในใจแล้ววางไม่ลงนี่แหละไปก่อนเลยเจอกันเมื่อชาติต้องการะนะเอาละ่ะเพราะฉะนั้นตันหาพาเกิดภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้ตันหาเกิดนั่งรอใครไม่ต้องหุดหงิดเพราะนั้นตันหาทั้งนั้นนั่งสมาธิอย่ากระสับกระสายนั่งรอเมืม่อไรจะถึงเวลา ปวดนี่ไงก็เห็นอยู่แล้วจะใช้ปัญญาเข้าไปดับเลยไหมล่ะเนี่ยให้เห็นหมดแล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนจริงๆเข้าไปยึดถือของไม่เป็นตัวตนเอาที่ถ้าคิดว่าตัวเองมีปัญญาตัวเองมีสติมีปัญญานี่ไงเปิดให้ดูหมดแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะออกก็ไม่มีความจมําเป็นต้องมานั่งฟังแล้วถ้าออกไม่ได้ไม่มีความตั้งใจก็ไม่ต้องทําแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเลยดีกว่าเสียเวลานะเหนื่อยด้วยแต่ถ้าจะทําท ก็ทำให้มันเห็นความจริงให้มันพ้นไปเลยก็ไปเปิดความจริงกันหมดแล้ว4สี่วันสมวันเนี่ยก็มีแต่พูดความจริงอย่างเดียวมีแต่พูดความจริงอย่างเดียวไม่มีความอื่นเลยไม่มีความเชื่อไม่มีความอะไรทั้งนั้นไม่มีความอะไรเลย